ทรงสมาธิไม่ได้นานเกิดจากความมีจิตอ่อนเมื่อเข้าใจเช่นนี้ให้ดูว่าระหว่างวันคุณจริงๆคล่องคล่างอะไรกลางคันไปกี่ครั้งพูดแล้วไม่ทำตามที่พูดไปกี่หนเจออุปสรรคนิดหน่อยแล้วถอดใจเลิกโฟกัสกับเป้าหมายที่บ่อยเพียงใดเกิดปัญหาแล้วเพิ่มปัญหาด้วยการบน่นหรือพยายามลดปัญหาด้วยการแก้ไขให้ลุ่ลง การสังเกตอาการทางใจจะก่อให้เกิดสติตเตือนตนกลายเป็นคนมีกาลังจิตกาลังใจขึ้นมาได้ส่วนกําแพงขวางไม่ให้เข้าสมาธิคือความฟุ้งยุ่งสัดสายเมื่อเข้าใจเช่นนี้ก็ให้ดูว่าวิธีคิดระหว่างวันเกี่ยวกับเรื่องไหนในจังหวะใดที่คิดแบบจับชายสายไปสายมาไม่เน่าเป็นเส้นตรงสู่เป้าหมายเดียว เมื่อเกิดสติเตือนตัวเองได้ทุกครั้งที่จิตกำลังจะย่างเข้าสู่ภาวะคิดไม่เป็นเรื่องเป็นราวก็ได้ชื่อว่าทำลายกำแพงที่ขวางไว้ไม่ให้ออกตัวเข้าสู่สมาธิสำหรับทางตันของสมาธิคือความมืดมัวและคับแคบของจิตเมื่อเข้าใจเช่นนี้ก็ให้ดูว่าระหว่างวันคุณจิตไปเกลือกลัว ก, วกับอารมณ์ บ, บาปอกุศลมากน้อยเพียงใด ถ้ามีสติระวังจิตไม่ให้เฉียดใกล้ความมืดได้ทุกชนิดทุกนาทีเมื่อใดเมื่อนั้นทางออกสู่สมาธิก็เปิดโล่งทันทีมองจิตเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งเป็นสมบัติที่ต้องรักษาจากมุมมองนี้คุณจึงเต็มใจใช้ชีวิตอีกแบบระวังความเสียหายทางจิตมากกว่าคาดคันจิตแบบเอาเป็นเอาตาย ไม่ได้สมาธิกับเขาสิกที